Book 2 5เยเซียยวที่ทำการไปรษเีนัปชชที่ทำการไพรสเนที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนวิธีไหนบริษยาปชเช ที่ทำการไพรส์นีใกล้จากที่นี่ไหมหยเยอต้ไรีที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนยีิงกาดิฉันต้องการสตมสองสามดวงูสตวิสาสำหรับการ์ดและจดหมาย n น pohľadnicu นิ i s e t ออลิสค่าส่งไปรษณีย์ไปอเมริการาคาเท่าไหร่คุณจะไปส่งไปอเมริกาไหมพัสดุหนักเท่าไหร่คุณก็บลิกิฉันส่งทางจดหมายอากาศได้ไหมฉันจะส่ก ใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าพัสดุนี้จะไปถึงอัดลรวาิมปรีเดิฉันโทรศัพท์ได้ที่ไหนจีโมเชมเตเลโฟนวตู้โทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนีบิชาเเลโฟนาบูตกคุณมีบัตรโทรศัพ ท, ท, ท์ไหมคะ มาชทรศัในคัตตคุณมีสมุดโทรศัพท์ไหมคะมาช็ทรศันซสนคุณทราบรหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียไหมคะชิดเปิดโวยบูโดรสรอสักครู่ขอดูก่อนนะคะมัมเม็ตปุซริมซ สายไม่ว่างตลอดเวลาลิาเยงสตอพนาคุณต่อเบอร์อะไรต้องกดกิสตีชิลคุณต้องกดศูนย์ก่อนนัยเพิ่มมุสิตเยี่ยวิทล